กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ทัท่านหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะแต่วันนี้ เป็นวันอังคารที่24พฤศจิกายนนะพุทธศักราช2 5งตรงกับวันขึ้นส4บสี่ค่ำเดือน12บสองพรุ่งนี้ก็สิบห้า่ำเดือน12บสองหลายคนคงมีประสบาการณ์ไปร่วมลอยกระทงนะพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทง แต่วันนี้เรามาอยู่ที่วัดเราก็เลยไม่ได้ลอยกระทงนะเมื่อพูดถึงเรื่องลอยกระทงเนี่ยก็มีข้อคิดนะที่น่าสนใจนะส่วนใหญ่เราไปลอยกระทงเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็ไปลอยเคราะลอยโศกนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะไปกับแม่น้ำอันนั้นเป็นความเชื่อเก่า นะที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณนะบางคนก็ไปเพื่อที่จะใกล้ๆว่าขอขมาลาโทษนะพระแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ำนะนั้นก็เป็นเรื่องที่แล้วแตนะ่ความเชื่อถือของแต่ละคนนะบางคนก็ถือเป็นโอกาสพิเศษนะคนหนุ่มคนสาวนะก็ได้มีโอกาสไปพบกัน ไปอธิษฐานร่วมกันนะในการที่จะให้ความรักมั่นคงยั่งยืนเทีนะ่งสงบทั้งปวงเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการที่เราไปอ้อนวอนขอให้สิ่งที่เป็นเกราะหามยามร้ายเนี่ยมันได้หมดสิ้นไปขอให้ได้พบแต่ความสุขความเจริญนะซึ่ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการปลุกปลอบใจนะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสบายใจนะแต่ความสุขความทุกข์เนี่ยนะมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนหรือไม่สำเร็จได้ด้วยการชำระล้างด้วยน้ำนะอย่างบางคนมีทุกข์มีโศกก็ไปลดน้ำมน นะซึ่งกติของการลดน้ำมนต์เนี่ยก็น่าจะอันนี้เพียงคัดคะเนนะน่าจะมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณนะ์ที่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะ ม, มันมีบาปนะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปล้างบาปก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคามีความเชื่อว่าถ้าได้อาบน้ำแล้วนะมันจะชำระสิ่งที่เป็นมนทินเครื่องเศร้าหมอง นะบาปกรรมต่างๆเนี่ยไปกับแม่น้ำซึ่งความเชื่ อ, อ น, นี้เนี่ยนะก็มีมาจนถึงปัจจุบันนะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีกันอยู่สำหรับที่บ้านเราก็คงไม่มีหรอกก็มีเพียงแต่ว่าลดน้ำมนตนะ์ให้เราสบายใจนะทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะที่เราเชื่อว่าทุกสุขทั้งหลายเนี่ย นะมันเกิดจากสิ่งภายนอกบ้างสิ่งภายในบ้างแล้วเราก็อาศัยนะการอ้อนวอนบ้างนะอาศัยการลดน้ำมนต์บ้างนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเพียงแค่ทําให้เราสบายใจนะมันไม่ได้แก้ทุกขโดยตรงนะการที่เราจะแก้ทุกขนะโดยตรงนั้นนะก็คือการที่เราต้องกลับมาเรียนรู้ มาเรียนรู้ทุกที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรานะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ตรงเป้าที่สุดการที่พวกเราได้มาวัดป่าสุกโตนะส่วนใหญ่ก็คงมีความตั้งใจนะอยากจะมาปลดทุกข์ปล่อยวางความหนักอกหนักใจเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตในใจนะออกไป ซึ่งการปลดปล่อยการปล่อยวางนะที่จะออกไปเนี่ยมันไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการอ่อนวอนไม่สามารถสําเร็จได้การลดน้ำมนตนะ์หรือการบนบานสารกล่าวอนะันี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราปัจจุบันนีนะ้ก็มีความเชื่อกันในเรื่องนี้กันมากมาย แต่มาที่วัดป่าสุขโ ต, โตจะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีลดน้ำมนตนะ์ไม่มีมาบนบานสารกล่าวแต่ว่าจะมาชวนให้พวกเรานะออกจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสตินะตามหลักสติปัฏฐานสนีะ่ซึ่งครูบาอาจารยนะ์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อบุญธรรมนะที่เป็นผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมานะก็ได้นาเรื่องนี้เนะี่ย มาเผยแพร่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะโดยเฉพาะที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้คนที่มาใหม่นะคนที่ยังไม่เคยมาอาจเจนรูปแบบของการปฏิบัติที่มันแปลกออกไปปกติเนี่ยนะ้เราไปวัดนะเราบอกเราจะไปปฏิบัติธรรมนะเราก็จะไปนั่งหลับตานะใช้ลมหายใจบ้างมีคำบริกรรมบ้างนะแต่มาที่นี่ไม่ใช่เลย ไม่นั่งนิ่งไม่นั่งหลับตาไม่มีคำบริกรรมแต่อาศัยการเคลื่อนไหวเป็นตัวปลุกความรู้สึกตัวนะซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะให้เราเข้าไปเรียนรู้ความทุกข์ความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเร า, นะ ก, ารการเรียนรู้เรื่องความสุขความทุกข์ที่มีเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ดีที่ร่างกายของเราก็ดี เราไม่สามารถที่ใช้ความคิดคือคิดเอาไม่ได้การคิดเอาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่การที่เรามาระลึกรูนะ้มารู้ตัวนะที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยอันนี้ของจริงที่นี้ของจริงตัวนี้เนี่ยนะเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วนะก็คือความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วตามปกตินั่นแหละที่มีอยู่ตามสัญชาตญาณนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเรามาพัฒนานะมาปลุกมากระตุน้นให้มันมีความฉับไวขึ้นให้มันตื่นขึ้นมานะเรียกว่าเป็นการปลุกจิตให้มันตื่นจิตที่มีอยู่ตามธรรมดาเนี่ยหรือสติหรือความรู้สึกตัวที่มีอยู่ตามธรรมดาเนี่ยมันเป็นสติตามสัญชาตญาณคนก็มีสัตว์ก็มีนะคนดีก็มีคนร้ายก็มีอย่างเราสังเกตม พวกนักย่องเบาเขาก็ต้องมีสตินะแต่เป็นสติแบบทำไม่ดีทำทำทำชั่วอ่านะเรียกว่ามิจฉาสติทีนี้ที่เรามาทำกันเนี่ยนะเราเอาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนี่แหละนะมาพัฒนาให้ฉับไวขึ้นจากสติสามัญ น, นะในการทำการทางานในการติดต่อผู้คนในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนะในการทำงานทำการต่างเนี่ย เราก็พัฒนาให้เป็นสติที่มันรู้ทันรู้ทันกับอะไรรู้ทันกับอารมณ์กับความคิดนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไวมากแสงนี่ก็ไวที่สุดในโลกแล้วนะแต่มีสิ่งที่ไวกว่าแสงก็คือความคิดออสไตน์บอกว่าสิ่งใดไวกว่าแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนนะคำพูดนี้เนี่ยเราฟังมานานแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ความคิดไงความคิดมันไวกว่าแสงมันเลยไม่มีตัวตน แต่มันมีสิ่งที่ไวกว่าความคิดอีกก็คือความรู้สึกตัวซึ่งสิ่งนี้เจ้าชจยจะได้ค้นพบเมื่อประมาณ 2,600 กปีที่แล้วเป็นเครื่องมือในการที่จะควบคุมในการที่จะดูแลความคิดนะที่เป็นต้นเหตนะุที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์โดยเพราะความสุขความทุกข์ในจิตในใจความสุขความทุกข์ในจิตในใจเนี่ย เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งความคิดที่ตั้งใจคิดความคิดที่ตั้งใจคิดก็เราใช้ทำการทำงานเราใช้เสร็จเราก็วางอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ความคิดที่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือความคิดอันที่สองาเรียกว่า ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าลักคิดนะหรือบางทีท่านกะใช้คำเจ็บมากๆเลยโสเพนีจิตโอ้โหในคำคำนี้นะคิดส้ำซ่อนไปเรื่อยคิดไม่จบไม่สิน้นวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไม่รู้เท่าไหร่นักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์ <c oughs> เขาใช้เครื่องมือวัดเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเราคิดประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นเรื่อง 6ถึง7หมื่นเรื่องเพระาะฉะนั้นเราเจอสูญเสียพลังงานไปกับเรื่องบางเนี้ยมากมายทีเดียวถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการกํากับในการดูแลมันก็จะคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยเพระาะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จะลรเห็นลร่อมใจของเราจะหลงไปกับความคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ <c oughs> สุขก็เหมือนขึ้นสวรรค์นั่นแหละทุกข์ก็เหมือนตกนรกนั่นแหละ เพราะนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจคือของจริงมีคนถามว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมมีจริงนี่ไงสวรรค์ในอกนรกในใจบางบางขณะเราขึ้นสวรรค์บางขณะตกนรกแต่บางขณะไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกปกติเฉยเฉยอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยใจมันก็เฉยเฉยใช่ไหมใจมันปกติใช่ไหม สภาวะอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นสวรรค์มันไม่ตกนรกมันปกติเฉยๆคนโบราณก็เลยมีคาพูดเอาไว้ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสตินะอันนี้แต่มาก็ได้ยินมาจากหลวงพ่อเทียนนะท่านพูดสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็เอาคาโบราณเพราะฉะนั้น <c oughs> ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใน ใ, นใจเนี่ย เป็นสิ่งที่แก้ได้แต่เป็นสิ่งที่แก้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปวังหวังพึ่งสิ่งโ ด, ดนบันดาลไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าไม่ต้องไปพึ่งการสวดอ้อนวอนการบนบาลสารก่าวเราทำได้ด้วยตัวเราเองด้วยฝีมือของเราเองซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเอง หรือเรียกรวมรวมว่าสติหรือเรียกรวมรวมว่าความรู้สึกตัวเรียกภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรานั่งอยู่เรายกมือเราเคลื่อนไหวเรารู้ไหมว่าเราเคลื่อนเอาไว้เพียงแค่รู้สึกที่ลักษณะที่ลักษณะ การจะไปเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นแต่เราจะใส่กายนะที่มันอยู่ติดกับใจนี่แหละเป็นสะพานเชื่อมโยงไปรู้จักความรู้สึกตัวไปรู้จักสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจเราจะไปนึกไปคิดเอาไม่ได้การไปนึกไปคิดนั้นไปจินตนาการมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นสมมตินะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ของจริงก็คือเนี่ยกายมันเคลื่อนมันไหวเนี่ยแล้วมันมีใจก็ไปรับรู้ขณะพลิกก็รู้ขณะเคลื่อนก็รู้ขณะหยุดก็รู้รู้สึกตัวอย่ารู้อะไรมากกว่านั้นถ้ารู้อะไรมากกว่านั้นน่ะมันมความคิดแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเรื่องง่ายๆอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่นั่นเองไม่ได้ไปสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะเพียงแต่ว่าเราใส่ใจตั้งใจ ที่จะรู้สึกตัวแต่ก่อนใจมาหลงไปกับความคิดคิดเรื่องราวต่างๆมากมายแต่เมื่อเรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันจะมีที่ที่อยู่มันจะไม่หลงไปกับความคิดมันจะมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวใหม่ๆผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะให้ใส่ใจที่จะรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน ความคิดจิตอย่าเพิ่งไปสนใจมันไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปดูความคิดให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเอากายเป็นหลักไว้ก่อนตัวเนี้ยนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นเชือกอจิตเหมือนลิงเน่ยมันกระโดดโลดเต้นไปนูน่นไปนี่ถ้าเราไม่มีตัวที่จะผูกที่จะดึงมันมันก็จะไปมันเรื่อยๆตามความเคยชินของเราแต่พอเรามีสติ ระลึกรู้กับกายที่มันเคลื่อนมันไหวเหมือนกับมีเชือกดึงมันไม่ให้มันไปไหนการเจริญสติไม่ห้ามความคิดนะอย่าไปกดข่มความคิดนะแต่ก็ไม่ตามความคิดไม่ห้ามไม่ตามเมื่อมันคิดขึ้นมาทำยังไงทิ้งไปเลยทิ้งความคิดไปเลยมาสนใจการเคลื่อนไหวนี้คิดขึ้นมาเท่าไหร่ทิ้งไปเท่านั้นนะตรงเนี้ยมันจะทาให้เรารู้จักการปล่อยการวาง เรื่องทุกเรื่องที่มันคิดทิ้งไปก่อนในขณะที่เรามาปฏิบัตินะโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเสาให้ที่มาวันนี้เป็นวันที่สองนะเรียกว่าตามโครงการก็มาห้าวันใช่ไหมวันมาวันกลับไม่นับเรามีเวลาปฏิบัติต่อเนื่องจริงสาวันเต็มเต็มวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นจริงๆนะซึ่งเมื่อวานท่านจารัฒ น, นชัยนะก็คงจะแนะนาวิธีการปฏิบัติของเราไปบ้างแล้ว ก็ขอให้เราใช้เวลาเนี่ยกับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้การเคลื่อนการไหวที่กายเนี่ยมันเป็นเป้าใหญ่ๆมันจะง่ายหลายคนเคยฝึกแบบนั่งลมหายใจใช้คำบริกรรมอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป้ามันเล็กอย่างใช้ลมหายใจเนี่ยมันเบาบางทีเรานั่งนานๆเนี่ยมันจะหลงต้นลมเลยก็คือนิ่งไปเลยนะหรือบางคนเนี่ยหลับไปเลย หรือบางคนฟุ้งซ่านมากเลยตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อ น, นของการฝึกแบบนั่งหลับตาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีแต่ละคนอาจจะมีอัธยาศัยแตกต่างกันแต่การเคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> เป้ามันใหญ่มันเห็นชัดคําว่าเห็นนี่คือระลึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะแต่ระลึกรู้ด้วยใจคนเรามีตาสองตาคือตาเนื้อเรียนรู้โลกข้างนอกเรามีตาพิเศษอีกตาเรียกว่าตาในคือตาใจ นะหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษตาวิเศษเป็นตาที่สมที่จะเห็นการเคลื่อนการไหวของกายเมื่อเราเห็นการเคลื่อนการไหวของกายเนี่ยเราลองดูนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันจะไปเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายคือความปวดความเมื่อยให้สังเกตต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะถ้ามันปวดมันเมื่อยมันส่งสัญญาณครั้งที่หนึ่งมาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเราให้ดูความปวดความเมื่อยต่อไป ให้สังเกตใจใจมันจะกระดิกแล้วมันจะงุดหิตแล้วมันจะไม่ชอบแล้วเพราะนั้นเราเห็นกายไปเห็นเวทนาคือความปวดความเมื่อยไปเห็นจิตที่มันงุดหิดแล้วเห็นไหมเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมันส่งสัญญาณครั้งที่สองก็ยังไม่เปลี่ยนนั่งทน่อไปก่อนนะครั้งที่สามมันส่งมาโอ้โหบอกไม่ไหวแล้วนเน็บตายแน่ตายแน่เนี่ยจิตมันคิดมันนึกนะ มันบอกไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเราก็เปลี่ยนแต่การเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นเดินเป็นยืนเนี่ยให้เราทำด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวอย่าลุกพวดพา ท, ทันทีการลุกพวดพา ท, ทันทีคือไม่มีสตินะและอีกอย่างหนึ่งการที่มันส่งสัญญาณทัก3สามครั้งเนี่ยมันจะได้ฝึกความอดทนฝึกความอดทนได้เรียนรู้นอกจากเรียนรู้กายเรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิต แล้วมันก็เรียนรู้ทำไปด้วยคือความไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองที่เกิดขึ้นพอเราลุกขึ้นมาให้สังเกตอีกทีหนึ่งเน็บชามจะคลายตัวออกใจเรารู้สึกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะเห็นทั้งลบเห็นทั้งบวกเลยนะแต่กิ้นี่มันลบใช่ไหมลบก็คือมันปวดมันเมื่อยมัน ไม่สบายกายเลยเนะ่ยเป็นลบแล้วหรืองุดหงิดขึ้นมาเนะี่ยเป็นลบแล้วแต่พอเราลุกขึ้นมาโอ้สบายมันเป็นบวกแล้วใช่ไหมเราจะเห็นบวกกับลบนี่ก็คือเห็นสุขเห็นทุกข์กทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ไม่บวกไม่ลบมันเฉยเฉยอะไอ้ตรงนี้เราสังเกตไหเราไม่ค่อยเห็นมันหรอกใจปกติเฉยเฉยอะเขาเรียกว่าศูนย์นะจุดศูนย์ศูนย์ไม่สุขและไม่ทุกข์นะ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายซึ่งจิตตรงนี้แหละที่มันทำให้เราเป็นปกติสุขไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาทไม่ทุกข์มากคือจิตตัวเนี้ยเพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยเราเห็นทั้งดีใจเสียใจแล้วก็เฉยเฉยแต่คำว่าเฉยในที่นี้ไม่ได้เฉยแบบไม่รู้เรื่องนะไม่ได้เฉยแบบซื้อบื้นะเฉยแบบรู้นะเพราะนั้นการฝึกแบบนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาเลย แล้วถ้าเราสัมผัสกับความเป็นปกติเฉยๆได้เนี่ยเราจะสัมผัสความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราคือความเป็นปกติสุขของใจตัวนี้สำคัญเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุข้างนอกแล้วที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะไอ้ตัวนี้แหละไอส้สุขสุทุกทุ ก, ทกอะ่ะมันมีแต่ทาให้เราเหน็ดเหนื่อยหนักอกหนั ก, นกใจ แล้วก็หโหยหาโหยหาความสุขผลักดันความทุกข์น ะ, ะแต่ที่เราสุดท้ายเนี่ยจะสุขจะทุกข์มันจะมาเฉยเฉยมันจะมาปกติเฉยเฉยภาษาธรรมากเรียกอุเบกขานะะเป็นอุเบกขาที่มีความรู้สึกตัวตื่นตัวไม่สงบนิ่งความสงบมีสองอย่างหนึ่งสงบแบบไม่คิดอะไร นะคนที่นั่งหลับตาเคยฝึกมานั่งชานั่งอะไรต่างๆ จ, จะสัมผัสตรงนี้ได้แต่การสงบแบบนิ่งแล้วไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็ดีนะมันก็สบายนะแต่มันไม่เกิดปัญญาสงบแบบที่สองที่เราทำก็คือมันตื่นรู้มันสงบจากความพอใจและไม่พอใจมันวางใจเฉยๆธรรมดาธรรมดาเป็นปกติเฉยๆและมันรู้อยู่แล้วถ้าเราสัมผัสกับปกติเฉยๆบ่อยๆเนี่ยนะ มันเหมือนกับใจเนี่ยมันเป็นน้ําที่มันนิ่งเนี่ยน้ําที่นิ่งเนี่ยแม้ขนนกตกลงไปเราก็จะเห็นเหมือนกันถ้าเราสัมผัสกระจายปกติบ่อยเนี่ยเพียงแค่ก่อนมันจะโกรธมันหงุดหงิดขึ้นมามันจะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ความโกรธที่จะแก้ได้ก่อนที่จะเกิดโกรธก็คือเนี่ยเรามาสังเกตตอเนี้ยมันจะกระเพื่อมซึ่งตรงนี้มันจะต้องอาศัยสติที่ฝึกฝนดีแล้วที่มันมีความไวมัน เรียกว่าเซนซิทีฟมากนะตรงนี้ปัญญานั้นความโกรธเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ละเพียงแต่ว่าเรากลับมารู้สึกตัวนะแต่ก่อนจะโกรธเนี่ยมันจะแก้ที่ต้นเหตุเลยเพราะนั้นการทำตรงนี้เนี่ยจะมีมีอ น, นิสงส์มีผลมากนะเรียกว่าเป็นบุญสูงสุดเลยอันนี้เ็าเรียกว่าการทำอ่าทาจิตทาใจเขาเรียกว่าภาวนาคาว่าภาวนาคือพัฒนานะไม่ใช่การไป บนพื้นพามบื้นพามอันนั้นไม่ใช่อันนั้ น, นก็เรียกกันอ้อนวอนกันขอนะการบริกรรมนะพะนั้นตรงเนี้ยพราะฉะนั้นการมาที่นี่เนี่ยเรามาเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวให้มันไวขึ้นไวทันกับความคิดไวทันกับอารมณ์ถ้าเราทันกับความคิดทันกับอารมณ์แล้วต่อไปนี้เนี่ยความคิดและอารมณ์จะมาอยู่เหนือหัวใจเราไม่ได้แต่เราจะอยู่เหนือมัน เรเรียกว่ายกระดับจิตให้อยู่เหนือความคิดและอารมณ์คนที่สามารถยกจิตขึ้นมาเหนืออารมณ์ได้เขาเรียกว่ามนุษย์มนุษย์สมนุษย์มาจากคำว่ามณะคือใจอุศยะแปลว่าสูงยกใจขึ้นสูงจากคนกลายเป็นมนุษย์ถ้าคนนี้ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ยกใจขึ้นสูงเนี่ยนะเราไม่เรียกว่ามนุษย์นะเราเรียกว่าคนคนคือมันละคนปนกันหมดมีดีมีชั่วปนเปกันไปหมด เหมือนเขาทำขนมคนกวนนั่นแหละเพราะนั้นเราจะไม่เรียกตัวเราเองว่ามันเลยตราบใดที่เรายังไม่สามารถยกจิตขึ้นมาสูงจากอารมณ์ต่างๆนซึ่งการจะยกจิตได้ก็คือการที่เรามาเจริญสติเจริญปัญญานี่เองเรามาอยู่สามวันก็ดีหรือผู้ที่มาอยู่หลายวันก็ดีถ้าไม่ได้ทำเรื่องนี้นะเสียดายเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ได้มาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แล้วน้อมนำมาไปรรมแล้วมาพิสูจน์ลองดูพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะทุกข์ลดลงได้ไหมเรื่องที่เคยหนัก อ, อกหนักใจเกี่ยวกับหนี้สินก็ดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็ดีเกี่ยวกับสังคมก็ดีเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ดีที่เคยมันหนัก อ, อกหนักใจอยู่เนี่ยให้มันเบาบางลง อย่างน้อยสามวันนี้มันน่าจะทําให้หัวระเบาขึ้นหน่อยมันอาจจะไม่หมดทีเดียวร่กแต่มันก็ได้เบานะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนี่น่าเห็นใจมากทํางานหนักทํางานเหนื่อยต้องเจอกับผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเพรา ะ, ะนั้นถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงไม่หนักแน่นนะบางทีเราก็ไปตามเขาเหมือนกันนะ แตตมาก็ต้องขอชมเชยนิดหนึ่งว่าโรงพยาบาลเสาให้นี่ดีมากอาตอมาเคยใช้บริการนะท่านพุ่มในการสุวัตนี่ท่านใจดีนะแล้วก็มองการไกลนะที่จะชวนพวกเราเนี่ยให้มาฝึกจิตฝึกใจที่วัดป่าสุกโตอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราฝึกแล้วเราใช้กับตัวเราเองไปใช้กับการกับงานใช่ไหมตรงนี้จะทําให้เรามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงการบริการก็จะดีขึ้น เพราะนั้นการพัฒนางานเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนางานเนี่ยต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาที่คนต้องพัฒนาที่ใจเพราะนั้นมาที่นี่ตรงเป้าที่สุดเลยเพียงแต่ว่าขอให้เราใช้เวลานะให้มันคุ้มค่าอย่าไปพูดไปคุยอย่าไปสันนาการอย่าไปหาความสุขจากการนอนะมาที่นี่ใช้เวลาเพื่อการเจริญสติให้เต็มที่ทำในรูปแบบให้เยอะๆนะ ครูบาอาจารย์แนะนำอะไรปฏิบัติตามอย่าไปดือ้อถ้าดื้อเนี่ยนะคุณจะเสียเวลาเลยสามวันคุณจะไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ทำอะ่ะไม่ทาจะว่าอะไรอะ่ะทำไมถ้าครูบาอาจารย์พูดไปแล้วแล้วเราไม่ทำนะท่านบอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าไม่ทำนั้นปล่อยเลยปล่อยคุณก็จะไม่ได้ประโยชน์เลยจากการมาที่นี่แล้วมันก็น่าเสียดายนะงบประมาณที่โรงพยาบาลให้มา หรือการที่เราวางการวางงานไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้ใช้ให้คุ้มนะคุ้มกับงบประมาณคุม้มกับการเสียเวลาที่มาอยู่ที่นี่สามวันก็ยังดีนะลองพิสูจน์ดูแต่แน่นอนนะการทำเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นหรอกคุณจะต้องเจออุปสรรคที่มันจะเจอแน่เลยแต่คุณต้องฝืนมันหน่อยใจแข็งหน่อยสิ่งที่คุณเจออันแรกบทที่หนึ่งเลยความง่วง ไม่ว่าทำวิธีไหนจะเจอง่วงสองเบื่อสามฟุ้งซ่านสี่หงุดหงิดลำคาญห้าสงสัยรังเลวันนี้คุณลงทำทั้งวันคุณจะเจอไอ้สี่ห้าตัวนี้มันจะมาชวนไม่ให้เราทำเพราะนั้นอย่าไปเชื่อมนะเช่นง่วงเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปนอนหน่อยขอสักงีบหนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีมันจะไปนอนเป็นชั่วโมงเลยนะกลางวันไม่นอนแต่กลางคืนต้องนอนนะ ทำเหมือนตอนเจ้าใจตะก่อนท่านจะตัดสรุปถ้าใครดดูภาพยนตร์ญญเรื่องพุทธเจ้าหมหาศัสดาหลังจากท่านฉันข้าวนางสุชาดาแล้วก็าถาดแปลทิธานที่แม่น้ําเนรัญชราถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําไปพอทิฐานเสร็จท่านวางลงถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ํากันไปเลยพวกเราเชื่อว่าเป็นจริงไหม มันจะลอยถาดทวนได้ยังไงปฏิหารเหรออันนี้เป็นปิิศนาธรรมเขาบอกถาดเนี้ยมันลอยไปถึงต้นน้ำเลยนะแล้วมันไปตกที่บาดาลมีพญานาคนอนหลับมาเป็นพันปีไปกระทบหัวพญานาคพญานาคตื่นขึ้นมาโอ้จะมีพิจิตเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะก่อนหน้านั้นมีถาดอยู่สามถาดคือมีพิิรเจ้าตัสรูมาแล้วสามองค์องค์นี้เนองคที่สี่พอตื่นมาเสร็จก็หลับต่อ ปิศนาธรรมมันคืออะไรเขาบอกกระแสน้าเนี่ยเหมือนกระแสอารมณ์กระแสความคิดวันเนี้ยก็คือความง่วงมันจะมาชวนให้เราง่วงไม่อยากให้เรายกมือไม่อยากให้เราทำเราต้องเอาใจเราทวนกระแสน้าขึ้นมาเหมือนถาดเนี่ยทวนมันเลยฝืนมันเลยไม่ๆม่ฝืนไปก่อนมันจะหลับตาเราลืมตาใส่มันมันหายใจซะเราหายใจยาวนะ ตัวมันงอเรายืดขึ้นนะแกอารมณ์เนี่ยตอนนี้หลายคนงปอปียานาครอบงามแล้ว <c oughs> นะเราเป็นลูกพิะิตเจ้าเราไม่ใช่ลูกปญยานาตื่นตื่นตื่นถ้านั่งมันไม่ไหวจริงๆลุกเดินเลยเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วมันยังง่วงอยู่อีกเดิน ช, ะชะ้าๆเดินให้ไหวขึ้นเดินหน้ามันไม่ไหวเดินถอยหลังนี่ต้องแก้มันอย่าไปยอมจำนนมนะันนะวันเนี้ย คุณเล่นเรื่องความง่วงเรื่องเดียวเนี่ยสนุกแล้วเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวตื่นเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้มนะ่ะเนี่ยคืออุปสรรคที่จะมาทําให้เราไม่ผ่านแต่อุปสรรคเนี่ยถ้าเราใจแข็งเรามีสติพร้อมจะกลายเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ไปเลยความง่วงความเบือ่อความส ง, งสุขงซ่านเพราะฉะนั้นปฏิบัติวิธีนี้นะมันไม่สบายหลักในเบื้องตน้นแต่มันจะสบายในตอนปลาย วันนี้คุณจะเจอความง่วงที่สุดความฟุ้งซ่านมากที่สุดแต่เดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้มันจะมีพัฒนาการถ้าคุณพยายามใช้ความรู้สึกตัวเข้าไปแก้เรื่อยๆนะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะเอาละก็เห็นว่าพอสมควรกัวเวลานะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรษตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสิทสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษฐธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งที่เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิที่ตัวเรากระทานั่นแหละเพราะนั้นพรตัตนตายอยู่ในใจเรานะด้วยความเพียรความยามความศรัทธาขอให้มีความศรัทธาให้มีความเพียร นะมีสติสมาธิและปัญญาเป็นพละห้าเป็นพลังนะที่จะให้เราเข้าไปเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจให้สัมผัสกับความเป็นจริงนะที่แสดงปรากฏนะจนเกิดความเมื่อน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางนะกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระทั้งหลายนะเพื่อให้จิตใจเราคืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งเป็นความสุขเกษมสารที่มีอยู่ ที่เราจะมาสัมผัสได้ในชีวิตนี้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร